แต่ลักษณะบ้านในบริเวณนั้นแจกต้นพับป่าได้ยากนักเพราะค่อนข้างซับซ้อนโชคดีมีเด็กคนหนึ่งมาช่วยแจกผะบป่าอายุแค่ห6ขวบแต่รู้จักชาวบ้านและบ้านแถวแถวนั้นทั้งหมดรวม20สิบหลังเด็กวิ่งแจกคนเดียวเดียวเดียวเรียบร้อยเลยพอถึงวันงานชาวบ้านปิดบ้านแห่กันมาหมดต่างยกต้นพับป่าที่ติดเงินนิดๆห น, น่อยๆมากันเป็นแถว